Thank mm -hmm. you. ชิตนั่นเคยเล่าว่าวันหนึ่งพาลูกศิษย์ที่เป็นพระชาวเยอรมันก็ไปในเมืองไปลมเรื่องการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเอดสเสร็จแล้วก็กลับไปพบปากนักเรียนโรงเรียนกาจนาพิเศษที่ท่านไปสอนอยู่เป็นประจำท่านเด็กนักเรียนเห็นพระฝรั่งก็มารุมมาตุ้มนะทักถามท่านหลายเรื่อง ยิงคำถามมาจกนกระทั่งตัวภาพฝรั่งนี้มึนเลยเสร็จ แ, แล้วตอนกลับท่านก็พูดกับอาจารย์พันชิตว่าอยู่วัดมาต้องนานเพิ่งรู้จัก ว, วัดวันนี้เองที่ผ่านมานี่ไม่รู้จักวัดเลยท่านก็ถามว่ารู้จักยังไงเหรอภาพฝรั่งก็ตอบ ว, ว่ารู้ว่าวัดนี้มันสงบสงบแล้วก็ไม่มีเรื่องวุ่นวาย ถ้าไม่ได้ออกจากวัดเข้าไปในเมืองนะก็คงไม่รู้หรอกนะว่าวัดนี้สงบท่านพูดอย่างนี้าทาา่านกัณจิก็เลยบอกว่าคนเราอยู่ที่ไหนหรือว่าอยู่กับสิ่งใดก็ตามเราจะไม่รู้จักสิ่งนั้นหรอกจนกว่าเราจะออกจากสิ่งนั้นอันนี้เป็นความจริงทีเดียวพระฝรั่งก็บอกว่าเนี่ยถ้ามาอยู่ออกจากเยอรมันเนี่ยก็ถึงรู้จักเยอรมันแต่ก่อน อยู่ในประเทศเยอรมันมาตั้งแต่เกิดจนโตไม่รู้จักหรอกพอออกจากเยอรมันก็ถึงรู้จักเยอรมันแล้วคิดว่าถ้าออกจากเมืองไทยเมื่อไหร่ก็คงจะรู้จักเมืองไทยจริงๆเหมือนนั้นคนเรานะก็จะไม่รู้จักอะไรจนกว่าเราจะออกจากสิ่งนั้นอย่างเราอยู่วัดนี้ก็ไม่รู้หรอกว่าความเงียบสงบของวัดมันเป็นอย่างไรบางเทีเราจะรู้สึกลาคานด้วยซ้ําที่มีเสียง ต่างๆ น, นานาเข้ามาเสียงรถขายของเสียงรถโฆษณานักการเมืองแต่ว่าพอเราออกไปข้างนอกอย่างที่เราออกไปแก่้งคร้อหลายคนก็อาจจะเห็นความแตกต่างเ้วเ อ, อิงจริงวัดก็สงบนะการที่เราจะรู้จักสิ่งใดก็ตามเนี่ยเราไม่อาจจะรู้จักได้ถ้าเกิดเรายัางอยู่ในสิ่งนั้นจนกว่าเราจะออกจากสิ่งนั้นอันนี้ท่านคันชิก็พูดไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่ มันก็โยงไปถึงการปฏิบัติของเราเพราะว่าเราจะไม่รู้จักความคิดหรอกจนกว่าเราจะออกจากความคิดเราจะไม่รู้จักความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจจนกว่าเราจะออกมาที่พูดกันเมื่อ2วันก่อนว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์มันก็จะหลุดจากทุกข์ได้เพราะว่าการที่เราไม่อาจจะรู้ทุกข์ได้จนกว่าเราจะเห็นทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ถูกเห็นก็คือเอาจิตออกมา เห็นม <muitos> ันเราก็จะได้รู้ว่าโอ้ทุกนี่มันเป็นอย่างไรความรู้สึกนึกคิดนะถ้าเรายังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดเราก็ไม่รู้จักมันหรอกจนกว่าเราจะออกมาแล้วก็เห็นมันเหมือนกับศาลาเนี่ยนะเราก็จะไม่รู้ชัดเจนหรอกตราบใดที่เรายังอยู่ในศาลานี้จนกว่าเราจะออกไปแล้วก็ก็จะเห็นว่าโอ้ศาลานี้มันมีรูปร่างอย่างไรมันสูงเท่าไหร่ หลังคาสีอะไรแล้วก็มันสัมพันธ์กับสถานที่โดยรอบอย่างไรบ้างมันต้องออกไปมันต้องออกไปถึงจะรู้จักอย่างชัดแจ้งรู้จักนี้ก็ไม่ได้หมายเฉพาะแค่รู้จักลักษณะของมันเท่านั้นบางทีอาจจะรวมถึงรู้จักหรือเห็นคุณค่าของมันอย่างแท้จริงอันนี้ก็รวมไปถึงว่าเรามีอะไรด้วยนะ เรามีอะไรเราก็จะไม่รู้จักสิ่งนั้นจนกว่าเราจะจากสิ่งนั้นไปมันไม่ใช่แค่ว่าอยู่สิ่งไหนแล้วเราจะรู้จักสิ่งนั้นก็ต่อเมื่อออกออกจากสิ่งนั้นเท่านั้นมีสิ่งใดก็ตามเราจะรู้จักสิ่งนั้นหรือเหตุค่าของสิ่งนั้นก็ต่อเมื่อเราไม่มีสิ่งนั้นหรือว่าจากสิ่งนั้นไปมีคนหนึ่งเนี่ยเขาโดนของหนังดฟาดมาที่หัวบาดเจ็บสาหัสเข้าโรงพยาบาลแต่ว่า ไอ้แผลที่เกิดขึ้นเนี่ยรักษาไม่ยากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเรเริ่มฟังอะไรไม่รู้เรื่องมีปัญหาเรื่องการรับฟังเสียงคือฟังเนี่ยแต่มันแยกแยะไม่ออกเหมือนกับว่าไม่สามารถจะแยกแยะหาความหมายของเสียงต่างๆได้ฟังเสียงคนพูดนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะฟังเสียงเพลงก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแล้วก็ต่อมาก็จะมีปัญหาอื่นก็คือว่าดมกิก็ดมกลี่นไม่ได้ ประสาทรับกลิ่นนี่มันหายไปเลยแล้วต่อมาก็มีปัญหาเรื่องการรับรสกินอะไรก็ไม่รู้สึกเลยนะมันชาไปหมดเลยและแถมยังพูดไม่ค่อยชาเอีกแล้วต่อมาก็การเห็นเห็นเนี่ยเห็นอะไรนี่ไม่ไม่ได้เลยเห็นแสงก็ไม่ได้เลยมันพร่าไปหมดอยู่บ้านนี่ต้องปิดมา่านเหมือนกับว่ามันไวต่อแสงมากและสุดท้ายคือว่าประสาทสัมผัสที่ผิวหนังเนี่ย มันโดนอะไรนิดเดียวก็ปวดเลยนะมันโดนอะไรนิดนิดเดียวไม่ได้เลยปวดมากพูง่าคือว่าตาหัวจมูกลิ้นกายนี่มันพิษผลิตไปหมดมทําให้เขานี่ไม่สามารถจออกไปไหนได้เลยออกไปไหนก็พูดกับเขาไม่รู้เรื่องแดด ก, ก็จ้าฟังเสียงก็สับสนไปหมดเขาทุกข์มากเลยสภาพอย่างนี้หลอดจะไม่รู้สึกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้เจออย่างนี้เขานี่มันจะทุกข์มากเลยแล้วเขาไม่รู้จะอยู่ได้ยังไง เป็นอยู่นานเลยนะความทุกแบบนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็เริ่มพบว่าเขาได้กลิ่นกลิ่นแรกที่ได้ได้กลิ่นก็คือกลิ่นอาหารเขาบอกว่าโอหมันเป็นกลิ่นที่หอมที่สุดในชีวิตที่เขาเคยรู้สึกมาหอมมากกลิ่นอาหารและวทีนี้ก็เริ่มได้ยินแล้วเริ่มฟังรู้เรื่องแล้วและต่อมาก็เริ่มเห็นอะไรเป็นเหมือนคนปกติก็เริ่มพูดได้ประสาทรับรูก็เริ่มรู้ทุกอย่างกลับคืนเป็นปกติหมด แล้วถึงตอนนั้นเนี่ยที่เขารู้สึกว่าโอ้ยไอ้การที่คนเราเพียงแค่เห็นเห็นรูปได้ยินเสียงลิ้นรับรสนะแค่นี้เนี่ยมันก็เป็นโชคันประเสริฐแล้วแต่ก่อนเขาไม่เคยระลึกเลยว่าเพียงแค่นี้ก็สำคัญเพราะว่าใจก็อยากจะได้อย่างโน้นใจก็อยากได้อย่างนี้แต่ว่ามารู้ว่าโอ้ยเพียงแค่ตาหูจมูกลิ้นกายมันทาอะไรได้อันนี้ก็ถือว่าวิเศษแล้ว ของดีอยู่กับตัวแต่ไม่เคยเห็นคุณค่าเพราะอะไรก็เพราะมันอยู่กับตัวเรานานไปจนทั่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาเริ่มรู้จักคุณค่าของมันเมื่อเขาสูญเสียมันไปถึงเริ่มเห็นคุณค่าของแบบนี้เนี่ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาพวกเราทุกคนก็มีกันทั้งนั้นแต่มีกี่คนที่จะเห็นค่าแบบโอ้การที่ตาเห็นหูได้ยินลิ้นรับลดได้นี่มันเป็นความอัศจรรย์ของชีวิตเรามีสิ่งนี้แล้วเราก็ยังมีความทุกข์ พอเราอยากได้โนนได้หนีอยากได้ทรัพย์สมบัติอยากมีชื่อเสียงอยากมีสถานภาพแต่แล้วพอเราสูญเสียสิ่งนั้นไปเราถึงรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่มีค่าเท่ากับไอ้สิ่งนี้ชีวิตของคนเราก็เป็นอย่างเงี้ยนะคือเรามีสิ่งใดก็ตามเราจะไม่ค่อยเห็นค่าจนกว่าเราจะเสียสิ่งนั้นไปมีนักกีฬาคนหนึ่งเป็นผู้หญิงจะเป็นนักกีฬาเขาจะเป็นเตกวันโดมีมีความหมายมั่นความ หวังสูงสุดในชีวิตก็คือการที่ได้เหรียญทองให้กับเมืองไทยพ่อเนี่ยก็เป็นโค้ดด้วยแล้วตอนที่แกได้ไปได้ไปจริงในกีฬาซีเกมส์มาเจอที่ประเทศฟิฟลิปปินส์เนี่ยแกก็คิดว่าเนี่ยคือความไฝ่ฝันสูงสุดในชีวิตและสุดท้ายแกก็สามารถที่จะได้เหรียญทองกลับมาให้กับตัวเองแล้วกับประเทศไทยดีใจมากเลยนะ รู้สึกว่าเนี่ยคือความสุขที่สุดในชีวิตแต่ว่าวันที่แกได้เหรียญทองเนี่ยผู้จัดการทีมก็บอกว่ามีข่าวร้ายก็คือว่าพ่อเขาเสียชีวิตแล้วเกิดรู้สึกว่าจะถูกอุบัติเหตุตายไปก่อนนัานนั้นก่อนที่จะแข่งแต่ไม่มีใครบอกข่าวให้เพราะกลัวว่าเขาจะไม่มีกําลังใจถึงตอนนั้นเนี่ยนักกีฬาคนนั้นเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงนี่ก็บอกเลยว่าไม่เอาแล้วเหรียญทองขอเอาพ่อคืนมาข อ, อาพ่อคืนมา แต่ ว, ว่าสายไปสุดแล้วนะตอนนั้นแกถึงรู้ว่าการที่ได้เหรียญทองมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความสุขที่สุดในชีวิตแต่ว่าการที่ตัวเองมีพ่อที่ยังอยู่กับตนในหน่งหางที่มีความหมายมากกว่าตอนนั้นไม่รู้สึกนะว่าการที่มีพ่ออยู่กับตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สุดยอดแล้วสําหรับเขาเขายังคิดว่ามันต้องการมากกว่า น, นั้นคือเหรียญทองแล้วเขาก็ได้สนใจแต่เขาเสียอีกสิ่งหนึ่งไปถึงตอนนั้นมาเห็นเลยว่าเหรียญทองมันสู้พ่อไม่ได้ ชชีวิตพอไม่ได้แต่มาเห็นก็ตอเมื่อสูญเสียไปแล้วแล้วนะคนเรามักจะเป็นอย่างนี้นะคือว่าสิ่งที่เรามีเราไม่ค่อยเห็นค่าหรอกเราคิดว่าโอ้การที่เรามีสุขภาพดีมีตาหูจมกูกร่งกายทำงานได้<ม>เหมือนคนปกติสามารถเดินเท้าไปไหนมาไหนได้เราไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้สำคัญเลยเรายังอยากได้น่นอยากได้นี่อยากได้ชื่อเสียงอยากได้เงินทองอยากได้ทรัพย์สมบัติอยากได้ความสาเร็จ เรามีคนรักอยู่ใกล้ๆมีพ่อมีแม่มีมีลูกมีสมีภรรยายอยู่ใกล้ๆเราก็ไม่ได้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่มีค่ามากไปกว่าความสําเร็จหรือว่าชื่อเสียงเกียรติยศ ต, ต่างๆต่อเมื่อเราสูญเสียสิ่งนั้นไปเราถึงค่อยมาได้ตระหนักว่าไอ้ที่วิ่งควายคว้าต่างๆนี่ซึ่งจะได้มาหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะมันมีค่าน้อยกว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว อันนี้แม้แต่สิ่งของก็เหมือนกันนะคนที่มีสิ่งของแล้วก็มีกับมันแล้วก็ใช้นานๆเราก็ไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่มีโทรศัพท์มือถือมีมีนาฬิกามีวิทยุหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์พอมีไปนานๆก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยท่าไม่ทันสมัยสู้ของคนอื่นไม่ได้มีเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นหมออยากได้เครื่องเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์แบบพาม สองหมืกวาบาทอยากได้ก็ซื้อมาจนได้นะซื้อมาก็มีความดีใจแต่ว่าดีใจได้ไม่นานพอใช้ไป น, นานๆสัก6เดือนก็รู้สึกก็อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วไม่ค่อยใส่ใจแต่ว่าพอไอ้เครื่องนั้นมันหายไปถึงค่อยรู้ว่าโอ้โหมันสําคัญมากเลยเพราะว่าไหนจะเบอร์โทรศัพท์ไหนจะงานการต่างๆไหนจะข้อมูลที่จําเป็นมันอยู่ในนั้นหมด มาเห็นค่าตอนที่ไม่มีแล้วแต่ตอนที่มีอยู่นี้ไม่ค่อยสนใจมันเก่ามันสู้ของคนอื่นไม่ได้นั่นนี่แหละคือปัญหาของคนเราส่วนใหญ่ก็คือว่าเราไม่รู้จักเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นนะจนกว่าจะสูญเสียสิ่งนั้นไปไม่ว่าจะเป็นเข้าของไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติรวมที่สำคัญคือคนที่เราอยู่ใกล้ชิดที่มีความหมายกับชีวิตเราหรือว่า การที่เราสามารถที่จะเดินเทินไปไหนมาไหนได้มีสุขภาพดีคนพิการนี่เขาจะรู้ซึ้งเลยว่าโอ้ไอการที่คนมีอาการควบสายสองนี้ก็เรียกว่าสุดยอดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาประสบความพิการเนี่ยเขาจะมองชีวิตเนี่ยมันต่างจากคนธรรมดามากเพราะว่าคนธรรมดานี่ไขวค้าหาแรงต่างมากมายแต่คนพิการเขารู้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตคืออะไร และด้วยเหตุนี้ก็ไม่เป็นเรื่องแปลกที่พบว่าคนพิการส่วนใหญ่ในภาพรวมแล้วมีความสุขกว่าคนปกติธรรมดาเพราะว่าเขามีความคาดหวังในชีวิตไม่ได้สูงส่งอะไรมากแล้วเขาก็ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างนี่มันไม่เที่ยงไม่แท้ถึงแม้ว่าสูญเสียขาไปแต่ว่าก็ยังดีที่ตายังมองเห็นหูยังได้ยินอันนี้ก็ถือว่า มันเป็นการเตือนสติมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอันนี้ก็เป็นเรื่องของสติเหมือนกันนะเพราะว่าบ่อยครั้งเราลืมเราไม่ตระหนักว่าสิ่งที่เรามีนั้นมีค่าอย่างไรบ้างเราถูกดึงออกไปนอกตัวใจเราไปจดจอ่อแล้วก็ไปให้ค่ากับสิ่งต่างๆที่อยู่นอกตัวที่เยอะซึ่งบางครั้งหรือว่าส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของอนาคตคือเรามักจะให้ค่ากับสิ่งที่เรายังไม่มีให้ลองสังเกตดู ไอสิ่งไหนที่เรามีแล้วเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่เราไปมองไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรายังไม่มีและสิ่งที่เรายังไม่มีนั่นก็คืออนาคตนั่นเองพอเราใจเราไปมองอยู่ที่อนาคตอยู่ที่ข้างหน้านะเราก็ลืมไปว่าสิ่งที่เรามีนั้นมีความหมายอย่างไรบ้างบางทีการที่คนเรานะใจมันไปจดจ่ออยู่กับเรื่องจุดหมายไปทางข้างหน้านี้มันก็มีปัญหาเหมือนกัน มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะชื่ออาจารย์ประมวลเพ็งจันเมื่ออยู่ได้สัก50กว่าไปปลายก็ตัดสินใจกเกษียณอายุกเกษียรจากราชการก่อนกำหนดและสิ่งแรกที่ทำก็คือเดินกลับบ้านจากเชียงใหม่กลับไปบ้านที่สมุยเดินเท้านะโดยไม่มีเงินสักบาทระยะทางก็ประมาณคงเกือบ 2,000 กิโลเมตรได้เดินด้วยเท้า โดยมีเงืินไขายว่าจะไม่พกพาเงินไปเลยแล้วก็จะไม่ไปขอใครด้วยจนกว่าเขาจะให้อันนี้ยิ่งกว่าทุดงอีกนะยิ่งกว่าทุดงอีกเพราะว่าทุดงนี่ถ้ามีบาทก็ยังมีความหวังว่าจะมีคนใส่บาทเพราะว่าประเพณีการใส่บาทนี่มันมีอยู่คนก็รู้จักแต่บางทีผ้าเราก็ทุดงไปก็จะมีเงินอะไรติดตัวด้วยหรือบางทีก็มีญาติโยนตามมานะเพื่อที่จะ ซื้อของซื้อปัใจจัยให้แต่ว่าจ่ายประมวลไม่มีอะไรเลยและมีคราดเจ้แกก็เดินผ่านดอยนถนนก็ขึ้นดอยนถนนรมหว่างที่ขึ้นดอยนถนนเนี่ยวันนั้นมันได้กินข้าวเลยก็มังก็เลยแรงไม่ค่อยมีแต่ก็ต้องเจ้าจะไปให้ถึงให้ได้ในในวันนั้นแต่พอจะไปถึงแล้วนี่ปรกากฏหมดแรงรู้สึกเหนื่อยมากหายใจไม่สะดวกเลยอยากจะพยายามไปถึงให้ได้แต่ว่ายิ่ง ยิ่งพยายามให้ถึงมันก็ยิ่งกลับกลายเป็นว่ายิ่งเหนื่อยยากเข้าไปใหญ่จนกระทั่งเกิดจะสลบเป็นลมต้องมีคนเนี่ยเพื่อมีคนขับรถผ่านมาก็เลยชวนแกขึ้นรถไปถึงดอยถึงยอดดอยเมื่อได้กินน้ำนะกินข้าวพักผ่อนสักพักอยู่ครู่ใหญ่แกก็เดินลงมาตอนที่เดินลงมาเนี่แาแกบอกแกอัศจรรย์มากเลยว่าทัศนียภาพสองข้างทางสวย ธรรมชาติรอบตัวก็งดงามแล้วก็แปลกใจว่าทําไมตอนขาขึ้นนี่ไม่สังเกตเลยทําไมตอนขาขึ้นไม่สังเกตเลยก็เพราะใจมันไปอยู่ที่จุดหมายปลายทางคือยอดดอยจุดหมายปลายทางไปอยู่ที่ยอดดอยก็เลยไม่สังเกตว่าไอ้รอบตัวนะั้นมันสวยงามยังไงบ้างแต่มาสังเกตได้ตอนลงและคนลองทีเวลาขาขึ้นนี่มันมันมีเสน่ห์น้อยกว่าขาลงนะ คนเรามักจะไม่ชอบขาลงเท่าไหร่เราชอบขาขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในการทํางานหรือว่าช่วงที่ร่างกายกําลังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ในช่วงขาขึ้นใครๆก็ชอบขาขึ้นไม่มีใครชอบขาลงแต่ว่าขาลงนี่มันมีข้อ ด, ดีอย่างนึงคือว่ามันไม่มีจุดหมายปลายทางให้จดจ่อเท่าไหร่ละก็เลยทําให้สามารถที่จะเหลียวมองหรือว่ารับรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวได้ ว่าโอ้มันสวยงามยังไงบ้างคนที่เวลาเดินทางเนี่ยขาไปเนี่ยหรือขาขึ้นเนี่ยมันจะสนใจแต่ทางข้างหน้ามันไม่สนใจคนที่อยู่ข้างๆด้ซ้ำไม่สนใจทัศนียภาพรอบๆตัวด้วยซ้ำใจมันไปอยู่ข้างหน้ามันลืมปัจจุบันไปไปอยู่กับอนาคตแต่ตอนขาลงนี่แหละนะถ้าใจไม่ไปไม่ไปอ้อยอียงหรืออะไรกับความงามบนยอดดอยเนี่ยมันจะเห็น เห็นความงดงามอยู่รอบตัวอย่างคนเท่าคนแก่นะเวลาอยู่ในช่วงขาลงก็จะรู้เลยว่าโอ้ให้ตอนที่มีสุขภาพดีนี่นประเสริฐแล้วเพราะว่าถึงตอนนั้นพอแก่แล้วนี่โอ้ยมันเต็มไปด้วยโลกมันเต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังสามารถที่จะรู้จักชื่นชมสิ่งที่เรามีได้ยังเดินได้ยังมองเห็นยังรับรู้ได้อันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่มีความหมาย และคนเราถ้าเรารู้จักมองแบบนี้เนี่ยความสุขมันก็หายได้ไม่ยากคนเราชอบไปมองหาความสุขอยู่ข้างหน้าไปมองหาความสุขอยู่รอบตัวทั้งๆที่สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่เราไม่ให้ค่ามันเองเพราะมันอยู่กับเราจนจนชินไปซะแล้วหรือว่าพ่อแม่หรือว่าคนรักก็เหมือนกันนะตอนที่เขาอยู่กับเราเราก็ไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่ตอนเขาจากไปแล้ว เรวถึงค่อยเห็นค่าหรือว่าตอนที่เราจะจากไปเสซอเองถึงค่อยมาเห็นค่าอย่างมีพิธีกรรายการสารคดีรายการหนึ่งเนี่ยังแกเป็นคนเก่งคนขยันเมื่อกลับมาจากนอกเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะทำงานเต็มที่สัก20ปีหาเงินให้ได้เยอะๆให้พ่อให้แม่ให้ครอบครัวแล้วหลังจากนั้นก็จ ะ, กะเกษียณแล้วก็มาอยู่กับครอบครัว ในรว่วนะั้นแกก็ทำงานเต็มที่นะทำงานดึกดืน่นเคร่งข่ำเคร่งกับงานเสาวันที่เก็แทบไม่ได้หยุดแกก็เป็นคนดีนะแต่ว่าทำงานแ ล, ล้วเครียดทำมาได้สิกว่าปีปรากฏว่าเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งซีนก็อาจจะเกิดจากการกรางานมากและเมื่อตอนที่แกรู้ว่ามะเร็งนี้คงจะรักษาไม่ได้ก็มาได้คิดว่าการที่เรากรางานนะคร่เคร่งกับงานนี่ นอกจากจะไปไม่ถึงเป้าหมายก็20ปีแล้วในสิ่งที่เราอยากจะต้องการที่จะทํายิ่งกว่านั้นคือการอยู่ครอบครัวก็กลับไม่มีโอกาสแกบอกว่าถ้ามีถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยอยากจะอยู่มีเวลาอยู่ครอบครัวมากขึ้นตอนที่มีครอบครัวอยู่แกก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเท่าไหร่เพราะว่าเอาไว้วันหลังก็ได้ตอนนี้ทํางานก่อนได้เงินแล้วค่อยมาให้เวลาครอบครัวแต่ถึงตอนนี้ก็รู้ว่ามันพลาดไปซะแล้ว ครอบครัวอยู่กับตัวเองแต่ว่าไม่มีเวลาให้ไปมุ่งอนาคตมากเกินไปถึงตอนนั้นเมื่อไปไม่ถึงดวงดาวก็ถึงรู้ว่าไม่มีอะไรสาคัญนะต้องการให้เวลาครอบครัวมากที่สุดมีลูกสองคนยังวัยรุ่นอยู่เลยก็ยังดีที่ยังระลึกได้แต่แกก็บอกว่านี้อยากจะเขียนอยากจะบันทึกอยากจะพูดไว้ให้เป็นบทเรียนสําหรับคนทั่วไปว่าบางทีการที่เราไป มุ่งหวังไปที่จุดหมายปลายทางข้างหน้าแล้วคิดว่าเมื่อถึงตอนนั้นแล้วถึงค่อยกลับมาหาความสุขกลับมาอยู่กับสิ่งที่เรามีให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรามีตอนนั้นอาจจะสายไปสิ้แล้วทําไมเราไม่ iziert, ไม่ให้ความสําคัญหรือว่าให้เวลากับสิ่งที่เรามีอยู่เสียแดดเดี่ยวนี้หรือให้คุณค่าของสิ่ ง, งนั้นอันนี้แหละก็มันก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นคือว่าเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งใดก็ต่อเมื่อเรากําลังจะพัดพลากจากสิ่งนั้นไปหรือพัดพลาดไปแล้ว แต่ถ้ามันยังมีอยู่กับเราเราก็ไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่บางคนเสียดายเสียใจนีที่ลูกตายก็เอาแต่คร่ำครวญหนึ่งลูกทั้งๆ ท, ที่ลูกนคนหนึ่งก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่สนใจไป น, นึกเสียดายกับคนที่ตายไปแล้วนึกเสียใจคนที่ตายไปแล้วแต่ลืมคนที่ยังอยู่ว่าเขายังอยู่กับเราแทนที่เราจะไปคร่ำครวญกับคนที่จากไปแล้วทําไมเราไม่ให้เวลากับคนที่ยังอยู่กับเรา หรือเราจะรอให้คนคนที่สองตายไปเราถึงค่อยมาเสียใจว่าทำไมตอนที่เขายังอยู่เราถึงไม่มีเวลาให้เขาแคนเรานี่มักจะมองข้ามสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนะถ้าไม่ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือสิ่งที่ยังไม่มีก็ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เสียไปแล้วอะไรกับสิ่งที่เสียไปไอ้สิ่งที่มีอยู่ไม่สนใจบางทีมก็เลยไม่ต่างจากนิทานอศพนะมาคาบเนื้อพวกเราคงจำได้นิทานอศพ หมามันคาบเนื้อมาได้แล้วมันก็เดินข้ามสะพานใคาที่เดินข้ามสะพานมองไปข้างล่างเห็นเงาของตัวเองแต่มันไม่คิดว่เป็นเงาตัวเองอ่ะมันคิดวเป็นหมาตัวหนึ่งเป็นหมาตัวหนึ่งซึ่งคาบเนื้อก้อนใหญ่กว่ากว่าเนื้อที่ตัวเองคาบอยู่มันอยากได้เนื้อก้อนนั้นมันทํำยังไงมันก็อา ป, ปากเพื่อที่จะไปงับเนื้อก้อนที่ใหญ่กว่าในในน้ําแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้เนื้อที่มันคาบอยู่ก็ หลุดปากไปแล้วเนื้อที่อยู่ในน้ําก็หายไปด้วยเรียกว่าเสียทั้งสองอย่างของที่มีอยู่ก็สูญไปไอ้ของที่อยากได้ก็กลายเป็นอากาศสาศัตว์ธาตุทุกวันนี้คนเราบางครั้งก็ไม่ต่างจากไอ้หมาตัวนี้นะคือสิ่งที่มีอยู่เราไม่ค่อยเห็นคุณค่าเราไปอยากได้สิ่งที่เรายังไม่มีตอนเมื่อเราสูญเสียสิ่งนั้นไปเราถึงรู้โอ้มันมีค่าจริงๆจําเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องเห็นคุณค่าเมื่อเราเสียสิ่งนั้นไป อันนี้นะประสบการณ์ก็อาจจะให้บทเรียนแก่เราได้เพื่อที่เราจะได้มีสติระลึกอยู่เสมอว่าอย่าไปลืมอย่าไปมองข้ามสิ่งที่เรามีอยู่อย่าไปเพลินกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเพราะแรงกระตุ้นสื่อมวลชวนหรือว่าความหลงของเราเองก็แล้วแต่อย่าไปเพลินกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงให้มีสติระลึกเห็นความสําคัญของสิ่งที่มีอยู่อันนี้ก็ทําให้เรามีความสุขได้ไม่ยาก